การพิขาจาร์นะพิขาจาร์คือว่าใครมีจิตใจเมตตาก็ให้อาหารบริจาคเงินวันหนึ่งเดลจิน e ิสก็ไปนอนอยู่ข้างถนนนะนอนด้วยความสุขก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเดินผ่านมา สองคนนี้คงจะรู้จักกันนั้นนะเศรษฐีก็ควักถุงเงินมาให้เดวเจนนิสแล้วก็ขยันขยอให้เดวเจนนิสรับนะเพราะเดวเจนนิสนี่ไม่ค่อยอยากจะรับเงินเท่าไหร่เศรษฐีก็บอกว่ารับไปเถอนะเงินนี้นะเป็นเงินของฉันเองนะอยากจะช่วยท่านนะท่าน มีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้มากกว่าฉันแไเจินิสก็ถามว่าแล้วท่านยังมีเงินเหลืออยู่อีกเยอะเหอเรอเศรษฐีบอกมีเงินยังมีเงินเหลืออยู่เยอะเลยไม่ต้องห่วงแไเจินิก็ถามต่อไปว่าแล้วท่านอยากมีเงินมากกว่านี้ไหมเศรษฐีก็บอกว่าแน่นนอนนะฉันก็อยากมีเงินมากกว่านี้แหละ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 ยังไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมียังอยากได้เพิ่มนี่ก็ก็เรียกว่าไม่ต่างจากคนจนนะคื อ, อยังรู้สึกว่าจนอยู่ยังต้องการมีเพิ่มอยากได้เพิ่มดเดรจเนสนี่เขาถึงแม้ว่าดูเหมือนคนจนเหมือนขอทานนะแต่ว่าเขาในใจเขารู้สึกเขาร่ำรวยพอเขาพอแล้วนะไม่ต้องการเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นนะ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 ก็บริจาคเงินให้กับทางวัดนะเพื่อเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไปในตัวแล้วแกไม่ได้ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะทำรู้สียเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแนละ้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนรวยนะทั้งทที่ทั้งทั้ท ง, ทงที่ก็ไม่ได้มีบ้านอยู่ดีเท่าไหร่นะอาจจะพักตามสาราวัดดยซ้าแต่ไม่รู้เก็บเงินได้ยังไงนะ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 บำเหน็จบำนาญอยู่แล้วจากหลวงนะแต่แกก็ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยนะทั้งที่แกก็น่าจะอยู่ถ้าแกอยู่สบายกินสบายแกก็พอได้เพราะแกสมถะอยู่แล้ว80ยูโรนี่แกอยู่ได้สบายใจแกก็ยอมนะที่จะเดินขอทาน25่้ากิโลนี่สำหรับคนเก้าสิบมันไม่ใช่น้อยเลยนะเดี๋ยว่าแต่เก้าสิบเลยนะ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 ตัดสินได้ไม่ยากว่าใครที่มีความสุขมากกว่ากันน ะ, ะแล้วก็เตยมรับ